<c oughs> สมควรเจตเวลาแล้วถอนสติออกมาฟังอะไรเหตุแต่ทําแล้วขันพรฟังก็นพเข้าใจเอาทําคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเว้าสู่ฟังพระพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าสอนนาฏโน้มให้เหตยังสอนพระให้เหตยัง สอนญาติสอนโยมเรียกว่าคารวาสัทธิ์ถ้ำถ้ับถ้ำสำหรับคารวะผู้คล้องเลื่อนให้ทำทานให้รักษาศีลใว น, นวันศีลวันพระเจ็ดมือมีวันพระเที่ก็ให้รักษากลางกลางก็ให้ทำบุญทานศีลบุญทานศีลภาวนา อันมีบุญแล้วจิตจะเป็นสมาธิแล้วภาวนาเหมืนกับปัญญาก็เกิดเตอนได้บอกจอๆให้เขาใจไงทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาอันเอาภาษาบ้านนอกทานศีลบุญทําทานรักษาศีนทําบุญให้ครบทั้งสามอย่างทําทานอาหารกายรักษาศีนกับบุญอาหารใจ แ้งใจเครื่องแ้งใจใจเป็นตัวของเฮาทั้งขาทั้ร่างกายว่ามปนตัวของเฮาของพอ่อของแม่เกิดแล้วแก่เจ็บตายเกิดแล้วแก่เก็บตายสั้งขาทัร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดก็ฟังให้เขาถึงหัวใจนะ้มว้าเจีปงปนั่งทั้งสวดอ่ะมว่าถ้าเขาขายของก็ได้สบู ราคาเท่านั้นเท่านี้ยาตีฟันนี่ห่อนั่นพอดีมาใส่ตีเดียวทีมจ้อยนี่ห่อนี่ดีเอาไหมเอามาถูยาตีฟันมันก็หอมอยู่สบู่หอมอยู่แต่ว่าคนมันบ่หอมนอนกอดของบูรของเนา่ามาจากบ่ใจใสสะอาดคือบ่เลี่ยงคือบ่สักคือบ่แต่งใจสกรปรกไปด้วยคือรักโลกโกดหลง นั่นทำห้ใจสกรปรกสักเครื่องจะซักใจล้มหายใจเขาออกคำเดียวแค่นั้ น, นว่าได้ซื้อซ้ำเพึงว่าซักใจอ่ะเห็นมันสกรปรกแท่หูอจับว่าใจสกรปรกอ่ะทั้งขาร่างกายเบิงทุมือสกรปรกสกรปรกปัจใจสกรปรกคุณผูเบิ้งรักโลภโกรธหลงเอาซีขอหันเห็นว่าสองคอขว่า น, นอยโพดรักโลภยกุมไม่ถึงนักษาว่าได้ อันเอาตัวเดียวก็ได้โลบจังเดียวอันโลบมาแล้วก็อยากง่ามง่ามก็เกิดความรักแมนบ่าล่ะสมมติว่าของเน่าเป็นได้ก็ว่าของหอมหนีไปใส่ก็ว่าได้ก็ย้อนทุ่งแต่วันศิลป์นั้นพระก็มีคนมารักษาศีลป์ตำยึดสอนในเทวดาติมารักษาก็ะทำโตกับของเฮาเป็นเทวดาเตีเทวบุตรเทวดาผู้ใช้ คนเทศประปุษต์ไม่ออกคนเทวดามันศิว์ น, นั้นพระขู่จักดนะมันพอตายหรอกพระเจ้าประสงค์คนรักษาสมมือเฮ้ยเดือนหนึ่งสี่เทียต์จรักษาบ่ได้จะกินได้อหนังเขา้าตีกินหนังกันเอาต้าจะแปรเอามันชีลายหลายอ่ะนั่นแล้วใครสนใจภาคคำบุญในเดื่องนี้เห็นว่าของท่านวางแสนลกูกกับสันบ่หเม็ดนี่ มาขามขอเดียวกับส de ันไดตัวโหตัวเคยอดนอกก็แห้งแล้วเดี๋ยวสิบเศร้ามือสิบมือเศ้ามือก็พอเห็นตายเมือนสิมามันสิบนันต์ปะหนิ้วเขาเหนียวเขาเดียเหนน้ำได้เปนเห็นฝันเห็นสวรรค์เห็นอมานเห็นน้าไดเห็นสวรรค์เห็นปานิพาทธเห็นน้าได้งบอัตนาเอาติ วัดจินเขาก็ไปเห็นปาธนาเอาแตให้อิ่มให้อิ่มให้อิ่มปฏิบุริภพนาชาตนานิพนิพนิพานะปฏิโยโหตุอนาคตกาเลพูะจ้กว่าเขาว่าอนาคตกาเลจะเห็นสวรรค์จะเห็นปานิพานภพนาชาตนาว่าแมนนี่พระเจ้าบ่ให้คิดหาบพนาชาตนานี่ปัจจุปนังไยโยธรรมังให้เบืองปัจจุบันก็เห็นกระู้คือมาวัดนี่แล้ว หรือบังใจแเราบอกบังพอใจเห็นว่าตั้งไหนว่ามันตาเนือเ้อเดี๋ยวเห็นนี่รละลึกสติรละลึกรู้ใจของตนเองเครื่องมัดใจคือลมเครื่องสักพอกใจคือลมนั่นขอพรปีใหม่ของพรปีใหม่บอกพรปีใหม่หลงปู่ให้พรมือไหม่ให้ทุงมือทุงมือรับเอาบอ้าพูนับป่า ก บ, บอกแล้วได้มือหนึ่งหนึ่งหน้าที่ได้หลวงปู่ให้พรานประจำมือเมื่อนกบออกแล้วจะมีผู้กระเฮ็ดจำบุบุนบนี่เป็นฝาตรงปองบอกยกมือเลยเอาไปดึ <c oughs> ตในทางสมาธิเมือ่อเคลื น, นยกมือขอัดดูใครไม่ได้นั่งใครไม่ได้นั่งสมาธิยกมือลงจะว่าแล้วนี่ถามซื้อแล้ว พระจะตั้งรู้จำเพาะตนอยากให้ตัวทอบใจตนเองว่าเห็ุหรือเพเห็ุทำหรือเพราทำความลับไม่มีในโลกเห็นบ่าวปุจจเจ้าเพให้ถีอตัวเจ้าของตนเตือนตนไม่ได้ใครเล่าจะเตือนไปเตือนเจ้าของเองเต้อันนี้บอกซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่บอกเพื่อบเให้หลงกระ บ, บองขี่โป้เพราะเคียมมันหมดใจของคนในโลกมันไปกระ บ, บองขี่โป มันมีก็บองเห็นหัวหูงอกตัวมื่อนี่เที่ยคือบอกเทีย่ยวเตือนเทีย่ยสติกลุงปู่ไม่บอกลุงปู่ไม่เทศว่าติบัดไม่ออกจมบัดว่าไม่ออกเทศบทัดพระเทศนันว่าพร ะ, ะให้นั่นเห็นบอกคำคงพระเจ้าเราตถาคตทําที่เราตะขาดคดในตัตะรู้ยากที่สามันชนคนธรรมดาจะดูได้จะรู้ได้ ตัวคนพิเศษคนเด้อเพราะการมัวมัวเมื่อดบอดหลายเมือดมอดตอนเท่าพระทั้บุญอะไรเดยวนี้พระก็บอกย่ำเรื่องการทั้บุญนี่จะบอกท่านบอกท่านเลยหลงไปน้ากันเมื่อมปนติเด้เอาตามเหตุผลของพระเจ้าเด้อพระเจ้าให้สอนเรื่องท่านสินบุญก็ย่ำในแม่ตัวบุญเดี๋ยนี้หมื่อตอนดี้คนทั้บุญแต่วันสินก็เมื่อไปแล้วไปเนี้ยั่งเดีย่างเดียวคือขนของไม่พระยุงเนี่ย ไต่ัตรอย่างโยมทำบุญสร้างรองอย่างโยมสร้างรงท่านขอตั้งรงท่านทำบุญโว้ยรงท่านทำบาสน่ากันจะมาตั้งรองท่านถาวายพระเมื่อถึงแต็มก็ขึ้นนี่บอว่าพระพรท่านเดียวันทับพระท่านเอกถาวายทับนั่นบาบว่าบาปไปกินของพระเจ้าพระสงค์ ญาติโยม พ, พี่ิพี่น้องทางไกล้ทางไกลวัดนนวัดนี่จะมีงานใหญ่พระเจ้าพระสงฆ์จะเยอะขอลงทานขอช่วยกันมาทําลงทานถวายพระสงฆ์ดูประเทศนอกประเทศหน้าก็บอกข้าเจ้าไปเมื่ตัวสมือมติยังติดต่อกันง่ายด้วยวัดใดที่เหตุบุญโท่มาเด้อวัดใดที่เลี้ยงลงทานทำบุญบอกท่มาเด้อผุนส่งมาแล้วเฮ็ดย่อมเป็นบาปเมื่ ว่าต้นตไะไわพระเมืเกี่ยงแล้วนละเอียดนี่ทำของขุนเจา้าเขาเข้าใจตั้งลงทานทำบุญตั้งลงทานทำบุญผลั ด, ดนี่เข้ามาเป็นหนึงประเทศเปน็นหนึ่งนั่นแหละเข้าใจปะมือถือสาบปากถือศีลมันเว้าว่าทำบุญทำบุญมันก็เอาไปเหมือก่กอนพระแล้วขงองสงเด้อ ของบริสุทธิ์เลยจะไปเอาของเพลินเด้อหรือวะนั่นบาปถือเมื่อถือสากบาปถือเส้นเมื่อถากเอาไปแล้วของเป็นบาปเราจะไปออกกระแสหลักแทรกใจเป็นผู้สั่งคือเดียวคือกันเด้ฟัดีใจเป็นนายกายเป็นบ่าวอนุจักบาผู้จักบุญบ่มีเราจะทำบาปบ่มีเรากิดต้มติดตัวเรากวงปีนปอนซื้อสั้์สุดจลิต ต่อตนเองและคนอื่ น, เ, นเหตุผบนี้สาสนี้เผนนวิสันตายได้จังไปซื้อสัตว์ทุัจริตเอ๊มาด้วยบุญน้องอยูด้วยบุญขับบานเก่าด้วยบุญมาด้วยบุญยูด้วยบาปขาดทุนแล้วหูวจักว่าเราบาปนี่ย่าไงเขาใจทำบุญก็ัิหูวจักเองหอกหน้าเดียวนี่ยแตว่าบาปกับบุญไม่เป็นทางใด น, นี่เขาขาดตัวเดียวคือการทำบุญมันว่าไปเน่ามัดไปไปดกก็คือเก่านะ่ะ ว่าเจ้าคือการนัดทักฟอกใจเนี่ยมารักษาใจกันให้มีสมาธิให้มีปัญญานั่นตัวติมีความรอบรู้บาปบุญเบียดเดือดร้อนบุญไหวหมอนั้นลบกันยังไดสวรรค์เป็นยังไงจูนี่ข <c oughs> อาฝากไปในเรื่องวะพระพึงพาอาศัยใบบุญบ้บานเฮาตะโดนแล้ว <c oughs> ยังไงพัดเพี้ยนกันมาเบื้องแน่จะาให้ทำไม่ออกไปคุกเขี้ยไร เหนต้อไม่ออกพอออกเป็นใสผลว่านั่นเพิ่นเสียตละมาดดนเราก็จะให้เพิ่นอยู่ด้วยความมีศีลมีธรรมเสียชีวิตก็มีศีลมีธรรมไม่ออกก็พยายามระมัธละว่างแน่อันจิตใจเออว่าไปด้วยกิเลสไปอยู่สองทั้งสองเกิดเหตุตั้งใดแล้วอันที่ว่าหัวหน้าเป็นพ่บอกนั่น ถ้าคิดแล้วกับผู้ใดเป็นโนาหลวงพ่อคือเกาพราะหลวงปูเป่เนไปแล้วรักษาาหลวงปู่อันว่าเ็คือบ่บอกกันเอาไปอีกเรืนี่นี่ตามหน้าที่ทีบอกตามหน้าที่พุทธิเหตุพุทธิเหตุแตวแต่เด้กพวกออ ก, กลายคนจิ่ตัวกัเบ่บรงนั่นไมผล เ, เสียสละมาเดาจใจเป็นเป็นบาปเต้นั่นะพราพรูชจเนี่ยจังว่า พ, พ, พ, พกรการทำบูคว่า ยากที่สามัญชนคนธรรมดาจะรู้ได้เห็นว่าบุญของคุณเจ้ายากปะเป็นกบหลายปีแล้วเุณนกบฏตับายวนมากเกือไม่ทำไม่ออกเอาอาหารไปส่งดีบอดีเันพาเกิดจิเรศโอ้ยคนน้อยมือแข็งป้อนแนะ่สิวาตีโอ้ยคนน้อยอาบน้ำไม่ได้เช็ดตัวให้แนะ่สิวาตี หอเจ้าว่างใดใจเอือบาไปิด้วยกิเลสมันเศร้าหมองก็ับไปเศร้าหมองก็ับไปกิเลสตัณหาพาใจให้มัวเมามืบอดบจักบ่เนี่ธานสสำหรับกายบุญสำหรับใจเข้าใจจุดนี้ด้วยอำนาจลุ่กุศลอตนนั่นยมหลอกหลอนจิติปีนน้องได้เสียตะละมา S 1> <S 1> ทำท่านก็ดีจังเมื่อเคลืนก็สอนในทางทําบุญก็ดีเมือนยังมาเศ้าก็สอนอีกจะสีมการทําบุญอํานาจบุญกุศลออกตอนญาตย่อมหลอกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งพระเจ้าประสงค์พระกันเดชกันทํำแล้วนี้บุญกุศลของคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากรโรกนี้กูจงมาร่วมกันจงปกป้องปกปักรักษาออกต้นญาตย่อมหลอกหลานญาติพี่น้องตลอดทั้งลูกหลานติดมาจาก กุงเต๋อกุงล่ามองออกมองหน้ามืองใดก็ดีดวยตลอดปลอดภัยเดยทิทางเด้อดความสะดวกสบายตลอดปลอดภัย <c oughs> นดกอดถึงใดป่าตนาถึงหนึ่งอันใดจงสำเร็จงจงสำเร็จชมดังความป่าตนาจงทุกสิ่งทุกประการเทือนนะเมื่อขึ้นือว่าสามเทีย Hmm. ทั้งท่านก็สาธุคำสาธุของของธรรมะพายธรรมะกันทั้งโลกต๊ะมือสวดสวดใส่ประดี